พุทธวสดีค่ะทุกฝัที่เคารพค่ะรายการสรัสนิษฐานะนะคะทีฉันสันนิษฐานพงษ์มาพบกับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุณโงให้เกิดประโยชน์กับวันใหม่ของทุกๆ ท, ท, ท่านนะคะแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจว่าเราจะพึ่งตัวเองได้ถ้าเราพึ่งธรรมะนะคะแล้วก็สิ่งที่นํามาให้กับท่านนั้น ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะเข้าหาธรรมะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะได้สังสมคำซ้อนหรือว่าเป็นสุตตะของพระพุทธองค์ด้วยและในขณะเดียวกันนะคะก็อยากให้มีโอกาสฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันดินฉันเองก็ปฏิบัติไปกับท่านด้วยนะคะตั้งแต่ตอนต้นของรายการซึ่งดิฉันเองเนี่ยจะไปกราบถามพระอาจารย์ถึงเรื่องสัดส่วนของการที่เราจะเข้าหาธรรมะนะคะว่า ในส่วนของการที่เราจะต้องอ่านหนังสือธรรมะฝังซีดีธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะปฏิบัติเพียงใดอย่างไรถึงจ ะ, ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติสูงแต่อะไรก็ตามก่อนที่จะไปพบกับท่านเพบบรปูลนะคะดิฉันเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการก่อนว่าขณะนี้เนี่ยดิฉ น, นขออนุญาตที่จะอาศัยการออกอากาศนี้เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมในการที่จะ ทำบุญกับการสร้างพระโบสถที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่พระอาจารย์ไพบูลท่านอยู่ที่นั่นแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ท่านไปเรียนกันได้เป็นประจำทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยนะคะผลิตผู้ที่ปฏิบัติธรรมไปหลายรุ่นแล้วเพราะทำมาก็หลายปีแล้วขาดเพียงแค่ชินแกรนิตเท่านั้นเองนะคะปูพื้นโบสถ์ด้านนอก เมื่อปูพื้นตรงนี้เสร็จก็เป็นอันว่าพระบูรษดเนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยเดีิฉันก็เชื่อว่าคงจะมีจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่ฟังรายการอยู่ต้องการจะทําการกุศลร่วมกันกับเราเดี๋ยวตอนช่วง ท, ท้ายรายการนะคะจะมาบอกว่าท่านจะทําบุญนี้ได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีไหนอย่างไรตอนนี้เราไปาเตรียมตัวนะคะที่จะปฏิบททัติธรรมเพราะว่ากําลังจะพาไปพบพระมหาภัยบูลษอภิปุณโญกันเดี๋ยวนี้แล้วคะ่ะ กล่าวนวัส ก, การกันนะคะเชิญปอนค่ะเวลามาพบ ก, กันก็ตั้งสติไว้เลยแล่กรรมะสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้มีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพรุทชเจ้าตรัสไว้ว่าในธรรมะวินัยเนี้ยมีสติเป็นอธิบดีแต่กรรมอธิบดีเนี่ยก็คือการที่บริหารงานตามสายงานเวลาที่เราตั้งสติไว้ด้วยการที่ระลึกถึงลมหายใจหรือว่าการที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเอาเรื่องของการลมหายใจกันล้กัน นายใจเข้าใหา้ใจออกมีสติตั้งไว้ในตำแหน่งที่อยู่เฉพาะหน้าคือทางเข้าทางออกของลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้จะสั้นหรือจะยาวไม่ได้บังคับมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ตามลมเข้าลมออกแต่ให้มารู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวไอการที่เรามีสติที่หมายถึงเป็นอธิปดีการบังคับบัญชา ต, ตามสายงานเนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะค่อยๆปรับ จิตปรับใจของเราจากเรื่องของทางกายให้เรามีศีลคนจะมีศีลได้ก็ต้องมีสติมีศีลแล้วมีความไม่ร้อนใจมีปีติปราโมจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สติก็ต้องมีแต่มีสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วจะไม่ให้สมาธิที่มันมากเกินไป จนกลายเป็นความเกลียดคร้านแต่ใช้กำลังสมาธิมาในการพิจารณาน้อมนำเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็ต้องมีสติเหมือนกันแต่เวลาที่เรามาพิจารณาใกล้ครวนในความไม่เที่ยงความเป็นของไม่ใช่ตนความเป็นอนัตตาความเป็นของปฏิกูลในกายความเป็นของที่ไม่น่ายินดีในสิ่งทั้งหลายเอาคิดพิจารณาแล้วไม่ให้มันเป็นความฟุ้งซ่านคือจะมีการ เห็นตามที่เป็นจริงทำวิปัสสนามากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นความฟุ้งซ่านไปได้ไม่ให้มันเป็นไปอย่งงางนั้นได้ก็ต้องมีสติและเพราะฉะนั้นสติเนี่จึงเป็นตัวที่ควบคุมไว้ตลอดตามสายงานไม่ว่าจะจากตรงเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆอยเรื่องของศีลเรื่องของวาจาจนมาถึงเรื่องละเอียดลึกซึ้งเข้าได้เข้าเข็มตรงจุดที่จะเป็นการปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญาก็ต้องมีสติคอยคุมตลอดพระบุตรเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ หลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาปัญจวัคคีย์ด้วยซ้ายังไม่ได้ทันแสดงธรรมจักกัปวัตนะสูตรก็ไม่คิดถึงเรื่องของสติปัฏฐานสีแต่วันนี้เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเราตื่นเช้ามาก่อนจะลุกจากเตียงปึ๊บให้มีสติตั้งไว้เลยเราอยู่ในท่าไหนนอนอยู่ในท่าไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนให้ระลึกเรื่องราวต่างๆได้ค่อยลุกขึ้นทาสมาธิ ทำสมาธิเปิดวิทยุฟังฟังไปแล้วก็ตั้งสติไว้ให้มันอยู่ตลอดแต่จะไปทําหน้าที่การงานต่างๆอย่างไดอย่างใดแต่ตั้งสติไว้ได้ตลอดวันบระวัตเป็นสิ่งที่จะช่วยบังคับปัญชาตามสายงานไม่ว่าเราจะพูดจะคิดจะทําแต่สติมีอยู่นี้จะรักษาจิตของเราได้แน่นอนแต่เราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันด้วยใช่หรือเาธตุค่กะก็เท่ากับว่าเป็นการฝึกสตินั่นเองอโดยมีวิธีการฝึกหลายอย่าง เบื้องต้นอย่างเช่นถ้าเราบอกตัวเองว่าเรารักษาศีลแล้วเราก็นึกอยู่ได้เสมอๆว่าาผ่านจุดๆนี้ที่ลำบากใจเหลือเกินในการพูดะเราไม่ได้หลุดพูดโกหกอะไรไปอย่างนี้ถือว่าเรามีสติแล้วใช่ไหมคะใช่นี่เป็นศีลานุสติเลยค่ะเดี๋ยวยังเข้าใจว่าเพิ่งมาฟังจากท่านอาจารย์อยู่เงี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกจริงๆด้วยนในอาการที่บอกตัวเองว่ารักษาศีลคือการฝึกสติอย่างหนึ่งนั่นเองใช่เป็ น, เ ป, นเป็นพุทธพจน์ที่อธิบายถึงว่า สีเนี่ยเป็นในธรรมเนี่ยมีสีเอ่ยมีสติเป็นอธิบดีค่ะคำว่าอธิบดีนี่กิหมายถึงว่าตามสายงานขึ้นมาค่ะนะคะท่านฟังก็ลองดูแล้วกันฝึกไปเรื่อยๆมันจะได้ประโยชน์ในการที่เราจะมีสมาธิอยู่กับสติปัญสีใช่ใช่แล้วแล้วการที่เราจะตั้งสติให้เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องมารณาสติด้วยนะ คือการที่เราระลึกถึงความตายค่ะเดี๋ยวจะคุยกับท่านเรื่องความตายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเนื่องจากที่ฉันได้เกลิ่นไว้ตอนก่อนเข้ารายการเพราะว่าไปอวดค่ะว่ารายการนี้สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ครบถ้วนทุกรูปแบบรวมไปถึงการปฏิบัติด้วยแล้วก็เลยถามว่าเลยบอกว่าจะมาถามพระอาจารย์ว่าสัสดส่วนของการเข้าถึงธรรมะเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการฟังธรรม การปฏิบัติธรรมเดี๋ยฉันพูดแค่สองอย่างนี่นถูกต้องไหมคะการเสด็จธรรมอ๋อใช่สิคือคือก่ อ, อนที่เราจะปฏิบัติได้สมมุติเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนะคุณคุณจะทําได้คุณจะต้องมีการฟังก่อนนะมีการฟังก่อนแล้วก็นํามาทําการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติตพระพุทธเจ้าจริงๆตรัสไว้ตั้งแต่ตอนที่หลังจากพรมมาราธนาแต่ว่าประตูแห่งนิพพานเป็นนามตะเนี่ยเราเปิดเอาไว้แล้ว สัตว์เราได้มีโสตประสาทโสตรประสาทนี้ก็คือหูนั่นเองสัตว์เหล่านั้นจึงจงปรงสัตว์ตาลงไปเถิดซึ่งหูในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการฟังแต่เราก็ยังเป็นที่มาของคําอีกหลายๆคําเช่นสุตตาอย่างเงี้ยคือการฟังความถ้าแบบไหนที่มีลักษณะเป็นงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดซึ่งการฟังนี้ก็คือใช้หูนั่นแหล ะ, ละเป็นการฟังธรรมหรือแม้แต่คําว่าพระหูโสต ผู้สูตรนี่ก็คือผู้ที่สดับมากฟังมากฟังมากสดับมากาหรือแม้แต่คําว่าสาวกก็ตามสาวกเนี่ยสาวกก็คือผู้ที่ฟังคําสอนก็ฟังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะสมัยนั้นมันมันไม่ได้มีการจดบันทึกนะในทีนี้ประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าฟังแล้วแล้วถ้าแปลว่ามันเป็นการเล่าเรียน น, นี้จะเป็นภาระจะเป็นงูพิษได้แต่ประเด็นคือฟังแล้วให้เกิดการปฏิบัติอันนี้ถึงจะสําคัญ ในนี้ก็จะใช้คําว่าศิกขาคือหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือการปฏิบัติศึกษานั่นเองปฏิบัติไปด้วยทําไปด้วยก็เรียนรู้ไปด้วยแต่ถ้าบอกว่าฟังแล้วเป็นผู้หูสูตรจนถึงขนาดว่าไปเล่าเรียนจกนกระทั่งเป็นภาระมากเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาระที่จะต้องระวังได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดภัยจากการเล่าเรียนนั้นได้นะเพราะฉะนั <c oughs> ้นในประเด็นที่คุณโยมติว๋วพูดถึงว่าต้องมีการฟังแล้วก็มีการปฏิบัติอันนี้ถูกต้องเลยถูกต้องแน่นอน คทีนี้สัสดส่วนนะครับเพราะว่าดีฉันได้มีเพื่อนหลายคนนะคะที่ฝักใฝ่ในเส้นทางนี้อยู่อ่ า, างคนก็ฟังธรรมกันมปเยอะนะคะฟังตลอดเวลาเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าได้รู้แล้วว่าต้องไปปฏิบัติให้มากนั่นก็อยากทราบว่าแค่ไหนอย่างใดจรึงเป็นสัสดส่วนที่พอดีพดีเสมอเสมอค่ ะ, อ, ะอย่างเช่นว่ามาแล้กันเปรียบเทียบกันออย่างคนที่เขาต้องการทำธุรกิจอย่างนี้เนี เขาก็ฉันจะทําธุรกิจของฉันเองนะมีความคิดอย่างนี้เขาก็เลยไปเรียนบริหารธุรกิจปริญญาตรี4ปีก่อนเรียนจบนี่ยังไม่ได้ทำธุรกิจเลยนะแล้วก็ไปเรียนต่อ mba อีก2ปีนะสรุปเป็น6ปีนะถึงจะค่อยมาเปิดธุรกิจตัวเองเนี่ยโอ้เรียนมาตั้งหปีอะเพื่อที่จะมาเปิดธุรกิจตัวเองเอากับอีกคนหนึ่งไม่ได้เรียนเอาหนังสือมาอ่านสักเล่มนึงอ๋อบาลานซ์ชีททาอย่างนี้อ๋อมาร์เก็ตติ้งทำอย่างนี้แล้วก็ตั้งธุรกิจของตัวเองเลยทําเลยตั้งแต่ปีแรกคืออันเนี้ย เราต้องดูสัดส่วนไงว่าการฟังในลักษณะไหนที่จะทําให้เกิดพอเพียงต่อการปฏิบัตินะไม่ใช่ไปเล่าเรียนจนเป็นภาระนะอันตรามาลังเปรียบเทียบว่าคนจะเรียนมาตั้ง6ปีกว่าคุณจะเพิ่งถึงจะได้ลงมือทำธุรกิจอ่ะคุณทําเลยก็ได้นีนะ่หรือตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนอ่ะเช่นการ เ, เรียนว่ายน้ําหรือว่าขับจักรยานถ้าคุณเอาคู่มือมาอ่านก่อนขู่มือว่ายน้ําขู่มือขับจักรยานไม่รู้มันมีหรือเปล่านะ แต่เราจะต้องอ่านหนังสือสักสองปีคุณถึงจะไปเริ่มกับจักรยานมันไม่ใช่แล้วไงคือคุณแบบว่าทําเลยกระโดดขึ้นจักรยานเลยล้มสัก4ี่หครั้งเดี๋ยวมันก็เป็ น, นกระโดดลงน้ําเลยกินน้ําสักสาสี่อึกเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวนอนก็ได้สักท่า น, นึงไมันก็ท่า น, นึงก็ท่านึงเช่นเดียวกันการฟังแล้วให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยคือฟังเลยแล้วเอาตรงนั้นทําได้ทําเลยอันนี้คือดไปได้นนะอย่าให้มันมากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแล้วมันจะไปเข้าข่ายในการเล่าเรียนและการเล่าเรียนชนิดที่ว่า เป็นเป็นการประยัดเนี่ยมันเป็นงูพิษคือมันอาจจะทําให้เกิดภัยที่ตัวเราได้เป็นภาระได้เนื่องช้าได้เสียเวลาได้เป็นไม่ได้หลายอย่างบางทีเข้าใจผิดไปใช้ไปล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปเสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้าตรงไหนทําได้น่ะมันจึงจึงทําได้เลยคือเหมือนกับว่าในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วจึงมีคําว่าสิกขาถูกต้องดังนั้นต้องหาจังหวะในการที่ ทำแบบฝึกหัดถูกไหมคะถ้าจะว่าไปเนี่ยใช่ใช่อันนี้สําคัญเลยคือให้เกิดการปฏิบัติประเด็นมันมันเป็นอย่างนี้คือเพราะว่าตอนแร ก, แรกพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยนะก็ก็มีคนมาถามก็ตอบไปเป็นเป็นทีละครั้งทีละครั้งไปก็จึงรวบรวมว่าอันนี้เป็นพระสูตรพระสูตรก็คือที่ได้ฟังมานั่นแหละใช้หูฟังอีนั่นแหละทีนี้พอช่วงผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยคําสอนพวกนี้มันมากขึ้นมากขึ้นเอาเราเรามาจินตนาการกันกันกนะ สมมติว่าตาลปูฟังหรือคุณยมติ๋วเนี่ยเป็นภิกษุ5รูปแรกแต่เป็นภิกษุ5รูปแรกได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในช่วง3เดือนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องอริยสัจสในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอนุบุพีกาถาพูดแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากคนที่อ้ออวยฟังปุ๊บเนี่ยก็มีศรัทธาใช่ไหมเขาก็แบบใคร่ครวญเฉ พ, พาะไอ้ตรงที่เขาได้ฟังเนี่ยใคร่ครวญใคร่ครวญมันไม่ได้มีมากอะไรแต่ที่เราไปอ่านอ่านดูก็ามาสองสามหน้าแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีมากอะไรที น, นี้พอผ่านไป พรามคนนี้มาถามตรงนี้พระ พ, พิชาตอบแบบนี้โอ้เรื่องโพชงเจดอวเฮ้ยไม่ได้เคยได้ยินเล ย, ยว่างไงนะนะพระามอีกคนหนึ่งมาถามเรื่องนี้มานบคนหนึ่งมาถามเรื่องนั้นโอ้นี่เรื่องพระ ห, าห้าหรอเป็นยังไงเรื่องมรแปดแบบแยกเป็น16อย่าง เ, เป็นยังไงมันก็เลยมีเนื้อหามากขึ้นมากขึ้นแต่พอมีเนื้อหามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วมีการทรงจํากันมาทรงจํากันมาบอกต่อต่อกันมาโอ้ทีนี้เนื้อหาเยอะละทีนี้ในตรงเนื้อหาเยอะเยะเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการเล่าเรียนขึ้นมา พอมีการเล่าเรียนแล้วมันอาจจะทําให้เหินงางการปฏิบัติอันนี้จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคุณโยมติ๋วน ะ, ค, ะ ค, คือพระสูตรทุกอย่างมันเขียนลงหนังสือหมดแล้วนะมีแปลไป2030ภาษาในะมีทั้งบาลีไทยนะอัตถคถาก็มีดีกาก็มีนะทําให้มันเป็นภาระในการศึกษามากทําให้บางทีเราก็ลืมเรื่องการปฏิบัติไปแต่เนดะังนั้นสัดส่วนที่คุณโยมติวตามว่าฟังเท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มการปฏิบัติได้เราเอาการปฏิบัติเป็นหลักเลย นะคุณฟังเท<ม>่าไหร่คุณจะปฏิบัติคุณคุณปฏิบัติเลยตรงนั้นเลยนนี้มันถึงจะดีค่ะ<ม>อะก็หาความพอดีให้ได้ก็แล้วกันแต่ว่าให้รู้ว่าเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญเพราะเดี๋ยฉันก็มีเพื่อนบางคนอนะคะที่เขาไม่ได้เรียนคําสอนอื่นๆมากนักนอกจากรู้เรื่องสี่ห้าอะไรเงี้ยนะคะอืพอไปสํานักที่สอนเรื่องการปฏิบัติเลยแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเขาบอกว่า เนี่ยในการปฏิบัติเขาได้รู้ในสิ่งที่เรากาลังพูดถึงคำสอนที่เรียนมามโดยการไม่ได้ปฏิบัติเขาบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจะไปเข้าใจได้ยังไงล่ะว่ า, าสมมุตินะคะว่าชาติเนี่ยมันน่าเบื่อนายนั่นแหละสิใช่ไหมคือคือเขาก็ยืนยันว่าพอปฏิบัติแล้วมันเบื่อจริงๆนะเพราะมันมันปฏิบัติสมาธิแล้วก็พบ พบเขาเรียกพบพบความจริง<ช>ที่เขาเชื่อเพราะเหมือนเกิดกับตัวเขาไม่ใช่การใ ช, ใช่คนอื่นมาเล่าให้ฟังอตรง <นะ S 1> ตัวนี้มีสองประเด็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือพระรูชาเคยตรัดเปรียบเทียบว่าคนที่ทรงจํารืคือคนที่เล่าเรียนแล้วทรงจําได้เนี่ยอันนี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะแล้วคนที่รู้พอที่จะปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้เนี่ยนะสองคนนี้ไม่เหมือนกันแต่คนแรกที่ทรงจําไว้ได้เนี่ยเหมือนกับคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงวัวให้เขาแต่ส่วนคนที่ปฏิบัติได้เข้าไปในจิตแล้วรู้ในใจเลยอย่างเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้คือเปรียบเหมือนเจ้าของโคมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเจ้าของโคเนี่ยจะได้ลิ้มรสนมหรือรสที่เกิดจากโคมีในยใสในก้นน้ํามันน้ําพวกนี้น่ยที่เกิดจากโคเขาจะได้ลิ้มรสแต่ว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยเลี้ยงเฉยๆเลี้ยงให้เขาอ่ะตัวเองไม่ได้กินคือไม่ได้ลิ้มรสจากธรรมะ เกิดขึ้นมาโอ้ไอ้ความเย็นความบเบ า, า, ม, ามันเป็นอย่างนี้ความหนามันเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ทราบและนี่คือประเด็นที่1เรื่องของคนเลี้ยงโคกับเจ้าของโคส่วนประเด็นที่สก็คืออันนี้เป็นกรำของท่านพระสารีบุตรซึ่งพระพุทธเจ้ารับรองด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องของอินทรีย์เนี่ยคือถ้าเราปฏิบัติไปมีศรัทธาวิริยะคือการทําจริงใช่ไหมแล้วเกิดเป็นสติ ข, ขึ้นอยู่ในใจของเรานะสมาธิอยู่ในใจ มีปัญญาเกิดขึ้นเห็นจแจมแจ้งว่าอ๋อธรรมะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะวนกลับมาที่ศรัทธาว่าเขาจะมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าธรรมะที่เราได้เคยได้ยินมาเนี่ยเราถูกต้องด้วยนามกายแล้วเนีอย่างเงี้ยก็จะมีความมั่นใจคือมันจะวนลูปกลับมาเนีคือปละหนะศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอรู้แจง้งเห็นจริงอย่างนี้ว่าอ๋อความหนามันเป็นอย่างงี้ความเย็นมันเป็นอย่างนี้ความเบามันเป็นอย่างนี้เน่จะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้น มีสตามากขึ้นยิ่งมีศรัทธายิ่งทำจริงยิ่งทำจริงยิ่งเกิดเป็นสติละเอียดขึ้นสมาธิละเอียดขึ้นปัญญาละเอียดขึ้นน่ะไล่กั้นบ่ายไลยข่ขึนบ่า ย, า ย, น, ายนี้ประเด็นที่2ค่ะนี่คือที่ที่พระพุทธเจ้ารับรองคำของท่านพระสารีบุตรตรงนี้ด้วยนะค่ะดังนั้นพวกเราก็มีโอกาสแล้วในการที่จะรู้วิธีปฏิบตัติสิ่งที่ท่านไปบูลนําสู่การปฏิบัตินั้นบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่อ่าเหมือนกับอนุบาลการปูฐานไปสู่ ต, ต่อไปซึ่งต้องฟังคําสอนอีกแต่จริงๆแล้วถ้าเกาะวิธีอย่างนั้นนั่นไปได้ตลอดเลยไหมคะใช่ถูกต้อง ด, ด้วยการที่ทําเป็นตามกระบวนการเนี่ยสตินี่มันอยู่ละมันจะให้ไปขั้นต่อไปขั้นต่อไปเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นได้ค่ะด้วยการปฏิบัติใช่ใชอย่างคนที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทนะคือฟังแล้วก็ฟังผ่านไปไม่ได้ทําตามอย่างเงี้ยนะค่ะฟังหูหนึ่งก็แบบอาจจะจําได้บ้างอีกส่วนหนึ่งก็ทะลุปไปอีกหูหนึ่ง หรือว่าทําอะไรอยู่บ้างก็กแล้วแต่แล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ฟังก็คือว่าแล้วทําตามนั้นค่ะใครควรไปตามทรงใจตามที่ว่าไปอย่างเงี้ยนี่ก็จะได้ประโยชน์ดีค่ะแต่เมื่อเราพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าการที่จะย้ําให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าธรรมะการศึกษาธรรมะนั้นสําคัญที่สุดคือต้องให้รู้ด้วยตัวของท่านเองเพราะพระพุธองค์นี้ได้ตรัสว่า ปัจจตงังเวที่ถับโพชใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนใช่เ ป, เป็นเป็นสิ่งที่โอปนัยกควรน้อมเข้ามาใส่ตนใช่คะ่ะนะคะก็อ่าจะได้มั่นใจ mm. ว่าหนทางในการปฏิบัติเนี่ยดีที่สุดใช่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้และได้ปัญญายิ่งยิ่งขึ้นท่านคะทีนี้อ่าได้กราบเรียนท่านมาเดียววันนี้อยากจะสนทนากับท่านในเรื่องของความตายเทนเองพอ เพื่อนที่เสียชีวิตพอดีช่วงนี้ใกล้กันมากใช่ไหมคะก็มาทบทวนพุทธพจน์พุทธวจนะที่เกี่ยวกับความตายอะคะ่ะในชันันของอนุญาตอ่านแล้วเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยจะได้คอมเมนต์ว่าพระพุทธองค์ตรัสว้อย่างไรหรือพวกเราควรจะเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นอย่างไรในแต่ละบทนะคะได้ๆพอดีเดือนเก็บแผ่นพับที่ท่านเคยแจกอะคะ่108ะร้อยแตถาคตภาษิตก็เลยคิดว่าง่ายดีก็เปิดดูในเนี้ยนะคะ บทแรกสามสิบค่ะบอกว่าบุคคลไม่ควรจะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งสดาปฏิพล ด, ดันไปสามสิบสองเดี๋ยวฉันว่ายาวไปก่อนนะคะสามสิบสองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ถัดมาบทที่สาสิบบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอต่อไปแปดสิบสี่นะคะก็เป็นบทที่ว่าด้วยความชรามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตบทนี้ดิฉันชอบมากเลยนะคะคือเหมือนกับว่าทาให้เราได้รู้ว่า เราไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาในแง่มุมนี้เลยแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นความชารามีอยู่ในความหนมุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตจะว่าไม่เห็นก็ไม่ได้รู้แต่ว่าไม่เคยหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ต่อไปบทที่แปดสิบเก้าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ฉันขอยกเพียงแค่จำนวนเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันค่ะและแล่พิธีการในข้อแรกที่บอกว่า บ, บุคคลไม่ควรที่จะทําการละคือตายก่อนที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลดเนี่ยคาว่าตายในที่นี้ก็คือกายแตกแกายนี้แตกไปสภาวะที่กายนี้ตั้งอยู่เนี่ยมั น, มนอยู่ไม่ได้ก็คือคุณต้องออกจากภพนี้ไปะจะได้พบใหม่กายใหม่ก็ค่อยว่ากันทําไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นแล้วคนที่จะมาเป็นลักษณะนี้ต้องเป็นคนแบบไหน แต่จริงๆพุทธพจน์ตรงนี้มียาวกว่านี้อยู่แต่ก่อนที่จะมาสรุปตรงเนี้ได้อธิบายถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปในมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันไม่เที่ยงเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่ามันไม่เที่ยงในลักษณะของคนที่เป็นแบบเนี้ยจิตของเขาเนี่ยนะชื่อว่ายังลงสู่สัมมตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่สัพพุริสภูมิคือ ภูมิของสั บ, บุะรดคนที่เป็นแบบนี้อย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปติพลเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยจิตคุณแบบนี้เป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักนะเกิดถ้าเราจะเปรียบเทียบแม่น้ําสายหนึ่งเช่นแม่น้ําจ้ประยายเป็นต้นแต่แม่น้ําจ้าพยายนี่จะไปออกทะเลนะแต่ว่ากระแสกลางแม่น้ําที่มันจะพาเราไปออกทะเลได้เนี่ยมันอยู่กลางแม่น้ําตรงนู้น คนที่เรียกว่าเป็นโสดาบันเนี่ยคือเข้าถึงกระแสคือกลางแม่น้ําตรงนู้ดแต่คนที่เป็นโสดาปฏิมาร์กเนี่ยนะคือผลนี่อยู่กลางแม่น้ําตรงนู้ดนะแต่คนที่เป็นมาร์กเนี่ยคือคุณกำลังออกจากฝั่งนี้กําลังจะแจวเรือไปจากฝั่งนี้เพื่อที่จะไปเกาะกระแสกลางแม่น้ําตรงนั้นต่ตรงนี้คือมาร์กไงส่วนนี้กําลังจะไปถึงผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นแหมถ้าตายไปนี่จะเสียดายเพราะว่าไม่แน่ใจว่า ชาติต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะหรือจะมีความเชื่ออย่างนี้อีกไหมจะมีเพื่อนดีคอยแนะนํา ม, มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่ามันไม่แน่ซึ่งซึ่งโอกาสบางทีมันมน้อยค่ะแต่เพราะฉะนั้นพระพระุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้ว่าอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ทําโสดาปฏิผลให้แจง้งค่ะแต่ที่ฉันขออนุญาตเสริมได้ไหมคะว่าบางคนบอกว่าแล้วเป็นแล้งไงอ่ะได้เป็นโสดาปฏิผลแล้วเป็นยังไงอ๋าพระพุธองได้ตรัสนะคะว่ายังไงกันคะเอาเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดิน คือต่นนั้นพระพุทธเาเดินไปแล้วก็เอานิ้วเนี่ยซึ่งท่านก็ไม่ได้มีเล็บยาวล่ะก็เขี่ยดินเศษดินขึ้นมาหน่อยแล้วก็ถามว่าเศษดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยติดปลายเล็บนะกับเศษดินผืนผันดินทั้งหมดบนโลกนี้อันไหนมากกว่ากันเปรียบเทียบอย่างงี้โอ้ยภิกษุทั้งหลายก็บอกอ๋อมันดินที่อยู่บนผืนปฐพีเนี่ยมันมากกว่าเศษฝุ่นที่ติดปลายเล็บชนิดที่เรียกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมากกว่ามากพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคือความทุกข์ของโสดาบันนะที่ หมดไปสิ้นไปแต่โซดาปฏิผลนะความทุกข์ของเขาที่หมดไปสิ้นไปเนี่ยเท่ากับผืนปัตตพีความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับเศษฝุ่นติดปลายเลย็บโอ้โห oh, oh, มันมากเลยนะนั่นนะเพราะนั้นมันคุ้มกันมากอะมาว่าค่ะแต่ถ้าเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกเนี่ยถ้ายังไม่หลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้จากวัฏสงสารนี้ก็ จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติใช่ถ้าได้ความเป็นสุดาบันถูกไหมคะใช่ ใ, ชใชค่ะทีนี้นิมนต์ไปพุทธคนีข้อ ท, ที่2 น, นท 2> ะที่ที่คุณโยติพูดถึงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใันเป็นทุกข์สิ่ง น, นัน้นเป็นอนัตตาใช่ไหมสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราคือควรจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เป็นข้อมูลที่เท่ครั้งแรกกับพิกษุปัญจวัีนร์ปัร ซึ่งซึ่งพุทธบทที่ยกมาตรงนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าที่บอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนที่เท่ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของประโยคที่ถามตอบซึ่งเป็นลักษณะติวเข้มเป็นการที่ถามให้ตอบแต่ซึ่งการที่พระเจ้าถามให้ตอบเนี่ยคือเพื่อที่ทักซักซ้อมทบทวนความเข้าใจของผู้ที่ตอบนั้นว่าคันท่านนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคันท่าอย่างเช่นกายของเราอย่างเงี้ยกายของเรารูปในที่เป็นท่าสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ย ถามซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง <Okay. S 1> แเราจะต้องตอบให้ได้ว่าต้องเข้าใจให้ได้และตอบให้ถูกด้วยว่ามันไม่เที่ยงเอาฐานตอบไปไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์บางทีเราก็ปวดบางทีเราก็เจ็บนะในการของเราอันนี้น้อมก็มาสู่ตัวละเอ้ใช่มันเป็นทุกข์แฮ่เอาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอนที่จะเห็นว่านั้นเน่ยเป็นตัวเราเอาแค่นี้ก่อนนะควรไม่เราควรจะเห็นกายของเราที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ย แล้วมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราควรหรือไม่ที่จะเห็นการนี้เป็นว่าเป็นตัวเราคําตอบนี่คือไม่ควรควรจะเห็นไหมว่ามันเป็นของเราในคําตอบก็คือไม่ควรเพราะนั้นการที่เราไม่ควรจะเห็นว่าการนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราควรจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตานนี่คือความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละก็กลับไปข้อแรกที่ว่าถ้าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วว่าสิ่งเนี้ย มันไม่เที่ยงแต่มีความเชื่อมีจิตน้องไปแล้วอันนี้ยังลงสู่สับพุริสภูมิแต่ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องนจิตใจนะจิตใจที่เป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> ทีนี้ในในข้อที่สามอันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นก็เรียกว่าปัดชิมวาจาตอนนั้นพระพุทธเจ้านอนสียาสั ย, ยาอยู่ที่ระหว่างโคนต้นสาระคู่ในสวนป่าสาระแล้วก็เป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีละ ได้ตรัสพุทธโพธิ์ตรงนี้ขึ้นภิกษุอยู่กันเต็มพืชเลยเถวดวงแถวดาอะไรก็เต็มพืชตรงนั้นแต่ก็บอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมด า, าพวกเธอทั้งหลายจงถึงความด้วยความไม่ประมาทนั่นคืออันนี้เป็นเตือนสติแล้วว่าอย่าต้องร้อนใจในภายหลังให้ไม่ประมาทคำว่าไม่ร้อนใจในภายหลังก็คือไม่ประมาทก็คือให้ร้อนใจตอนนี้ไหนทําตอนนี้ให้เร่งด่วนตอนนี้ เพราะว่าสังเาตมันเสือ่อมไปเป็นธรรมดาพอถึงจุดที่มันเสื่อมให้เห็นรูปปรากฏแล้วอย่ามาเดือดร้อนตอนนั้นมันจะไม่ทันการนะก็จึงสอดคล้องกับข้อต่อไปหรือข้อที่5ที่ผูดข้อปริศสีเนี่ยนะจะบอกว่าความเจ็บไข้เนี่ยมันมีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคนะเพราะว่าถ้าผมว่าเราเห็นว่ามันไม่มีโรคมันไม่มีโรคสบายอยู่สบายอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือประมาทคือประมาทแต่ถ้าเรารู้ว่า เฮ้ย ม, มันมีความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนะเพราะว่าชีวิตที่เรายังมีอยู่เนี่ยถ้าเราผมยาวขึ้นเล็บยาวขึ้นถูผิวหนังออกมามีขี้ใครโอหนี่เซลตายทั้งนั้นเลยนะถายอุจะาระออกมามันก็มีจุลินทรีย์ที่ตายออกมาด้วยหายใจเข้าไปหายใจออกในพวกเม็ดเลือดขาวก็ทำการฆ่าแบคที ria อะไรต่างๆได้ไม่หมดแต่มีการตายอยู่ในชีวิตของเราแต่ในร่างกายที่แข็งแรงๆเนี่ย โคมันก็มีแบคทีเรียมีไวรัสอะไรต่างๆอยู่แต่ว่ามีอยู่ในปริมาณที่น้อยเม็ดเลือดขาวมันยังควบคุมได้มันก็จะมีเชื้อที่ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ในร่างกายที่มีความหนุ่มแน่นมีความสาวอยู่เนะเซลล์นั้นก็แก่ไปแก่ไปเนื้อคัดตัวเองทีหนึ่งก็แก่ลงทีหนึ่งเมันมีความชราซ่อนอยู่ซึ่งถ้าบอกว่าเราเห็นความชราความเจ็บไข้ความตายในความที่มันยังหนุ่มอยู่ไม่มีโรคในความที่ยังมีชีวิตเนี่ย อันนี้คือเป็นพูดที่ไม่ประมาทละเห็นความที่สังการเทั้ไหลายมันเสื่อมไปละทั้งหมดทั้งสิ่งนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์ตรงนี้ที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จริงๆคนที่พูดครั้งแรกตรงนี้คือท่านอัญญานโกนัญญาณะอัญญานโกนัญญาใช่มีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดา นคนที่เข้าใจตรงนี้คือเป็นโสดาปฏิพลละ่และแั่นก็กลับมาตรงที่ข้อแรกแล้วว่าถ้าา ม, มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงแล้วเข้าใจได้อย่างนั้นนี่คือเชื่อเฉยๆนะโสดาปติมาคเนี่ยคือเชื่อคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, คอมีศรัทธาละ่ะแต่ยังไม่เห็นด้วยปัญญาทีนี้พอมีศรัทธาลแล้วเพ่งลงไปแล้วพิจารณาให้ดีแล้วเพ่งลงไปนี่คือตั้งสติแล้วนะพิจารณาให้ดีนี่ก็อาศัยสมาธินะเกิดปัญญาขึ้นแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือติ้งๆเลยคือคุณเป็นโสดาปฏิผลผลเกิดขึ้นกับคุณในในใจตรงนั้นจะเข้าสู่กระแสะที่จะมีนิพพานเป็นเบื้องหน้าแน่นอนค่ะก็เท่าเท่ากับว่าในเรื่องของความตายเนี่ยพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้เยอะมากถูกไหมคะนี่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นไหมใช่ใช่นี่คือความเกิดขึ้นความดับไปคือความไม่เที่ยงนั่นเอง ซ, ซึ่งความไม่เที่ยงเนี่ยจะปรากฏออกมาในรูปของอโรคภยัยแคเจ็บความตายจริงๆที่แบบว่าจากกันไปจริงๆไม่กลับมาแล้วอย่างเงี้ยนะหรือว่าความตายจะปรากฏในรูปของอเซลล์ที่มันหลุดออกจากร่างกายพวกนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะอีกบทหนึ่งนะคะเมื่อมีอะไรอยู่หนอชราโมรณะจึงได้มีอืรามีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตาย อันนี้คือเป็นประโยคคําถามอันนี้คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าใคร่ครวนน ะ, ะตอนก่อนการตรัสรู้ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ต่คือตอนตอนนั้นเนี่ยเลิกทาทุกขกิริยาละร่างกายก็ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนั่งสมาธิแล้วก็มาใคร่ครวนว่าเอ๊ะทําไมฉันมาออกบวชเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความตา ย, ยแล้วทําไมมันแก่ความแก่ความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวพระองค์เองนะยังรวมถึงสรรพสิ่งต่างๆในโลก ตนมากภูเขาตองฟ้าทะเลสัตว์เลี้ยงต่างๆเอ๊ะทำไมมันถึงมีแก่มีตายแ้วก็เพราะว่ามันมีการเกิดคำตอบในคำถามนี้ก็คือมีการเกิดจึงมีการแก่และการตายเป็นเป็นคำถามที่สำคัญถูกคะทำให้มนุษย์โลกของเราเนี่ยได้พลอย ได้ความรู้ที่พระพุทโธตรัสรู้ว่าจะไม่ตายได้อย่างไรจากคำถามนี่แหละถือเป็นคำถามสำคัญเริ่มต้นสำคัญมากคน ท, ทั่วไปก็คงไม่นึกสงสัยนะทำไมไมันเกิ ด, ดมีแต่คนที่แบบว่าถ้าดูในละครก็สมมติว่าทำไมฉันต้องเกิดมาในส่วนใหญ่มนจากเรื่องอื่นไม่ใช่ลักษณะเพื่อที่จะหาหนทางหลุดพน้นใช่ <c oughs> ค่ะเป็นอันว่าวันนี้ เลยได้พุทธพจน์ที่เกี่ยวกับความตายเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รู้อย่างกับขณะเนี้ยเดือนมันเปลี่ยนไปอีกแล้วเห็นไหมคะมจากสิงหาคมกลายเป็นกันยายนเวลามันก็ผ่านไปไม่ช้าเ ด, เด็กๆ<ป>เราไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่พอเราอายุมากๆเรามี่เขารู้สึกเออแม่ลามก็ผ่านไปเร็วนะเนี่ยเราก็ใกล้เข้าไปทุกขณะแล้วค่ะงั้นเชื่อว่าสิ่งที่ฟังในวันนี้น่าจะช่วยทําให้ เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและรู้วิธีที่จะจัดการกับการมีชีวิตอยู่นี้อย่างไรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะเภสัชกรกล่าววาสักการขอบพระคุณท่านเพียบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะสักการค่ะต้องทวนที่เคารพค่ะอ่าบางคนเขาบอกว่าคนชอบพูดเรื่องทํามาเนี่ยเป็นคนแก่อ่าทีฉันก็บอกว่าแก่ก็แก่นะคะก็เสียดายเหมือนกันที่มารู้ในตอนที่บางคนเขาตัดสินว่าเราแก่ไปแล้ว แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้ได้เร็วเท่าไหร่นำเอาไปปฏิบัติหรือสิกขาอย่างที่ท่านพิบูลได้บอกเราว่าพระพุธองค์ทรงให้ความสาคัญว่าความรู้ในธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติต้องทำคู่ขนานกันด้วยกันเลยเนี่ยจะได้รีบทำกันแต่นั่นเนินส่วนท่านที่ตั้งใจจะทำบุญหินแกรนิตปูพื้นรอบโบสถ์ ระบุสดวัดป่าดอนหายโุดรธานีแล้วเมื่อปูเสร็จก็จะเป็นอันว่าระบุสดนี้เสร็จสมบูรณ์สามารถไปสู่การปฏิบัติกิจต่างๆของสงฆ์ได้เลยหรือว่าของคราว่าที่ไปที่นั่นได้เลยเนี่ก็จดหมายเลขบัญชีนี้ไว้เลยนะคะเบอร์บัญชีของวัดป่าดอนหายโศธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานีหมายเลข สี่ศูนย์หนึ่งสามสองแปดหกเก้าห้าห้าอีกครั้งนะคะสี่ศูนย์หนึ่งสามสองแปดหกเก้าห้าห้าบัญชีชื่อวัดป่าดอนหายโศกของธนาคาครกรุงไทยอุดรธานีค่ะวันนี้ลาไปแต่เพียงนราพบ ก, กันใหม่สัปดาห์หน้าทุกท่สวัสดีค่ะ